แล้วก็เมื่อว่านมุกรลงพอไปโรงเลียนยุงทองพิทยาคมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเมืองอุดรเพอ่์อมาสนี่แล้วก็วิลาผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่งจะไปเบิง้งความสงบเรียบร้อยของอำเภอทั้ทงอำเภอเขาก็จัดทั้งไฟประสงฆ์ทั้งไฟปราดเช่าบ้าน แล้วกพี่น้องประชาชนมาพร้อมกันเพรามาพร้อมกันนะกับในมโนภสงขึ้นไปกาวสัมโมนในยกถาจากนั้นก็ปาดช่วบา้านก็เป็นขึ้นไปกาวความเป็นมากความเป็นไปแต่ละคนแต่วิชาอาชีพฮะอันนั้นจากนั้นท่านผู้ว่าเพื่นกัจิรวบร่วมมาไปอำเภอบ้าน พ, นพนานื้นเนี่ยพระสงฆ์บอกอย่างรแน่ ปาดเชาวบ้านเนบอกจังไรแน่เพื่อเกเอาไปึ้นบอดแต่มาอำเภอนายุ่งนึ่งอำเภอหนายุ่งเฮ้าทั้งทังนหน้าอำเภอคณะกรรมการตอนรับทานปูว่าก็เชิญเขามาเมื่อวันที่3าเอ็ก่อนจะมาได้3ามสิยอะถงห่งหลายมือ่นอเนาไปใหญ่หลายเถื่อเขอมาหอด3ามสิบเอ็ดลาบานเนี่าทัานปู ว, าว่าคนโอ้ย ติดโคล่ทั้งอุดร อ, อีกแล้วาเนีทั้งแม่ทัภาคจะมาอุดรแล้วจะให้จะไปยังใดเนี่ว่าจารยเนียใหญ่ไปอีกด้บอว่าจารยเนีทางนายอำเภอโอ้ยพวกนีจะเตียมกอแห้งแล้วาจาเนี่ยขอให้ท่านมาเถอะจารเวลาหน่อยจังเก็ เ, เชิญมาว่นอาจารยให้ร่องผู้ว่ามานบอทั้งนี้กับบอกคณะกรรมาการต้อนรับก็ว่าอยากจะให้ จาเชิญท่านและเพราะว่าต้องการท่านผู้ว่ามาที่จะไม่เวล่าหน่อยมาพบกับพี่น้องไปแชาช่่นท่านผู้ว่าก็เลยได้มาเพอได้มากบบไม่เวลาหน่อยได้บัดเพราว่าเที่ยงเที่ยงเพิ่นกติกับะกินข้าวเที่ยงกติกับเราคนละไปมากับมาจุบุพวกเข้าวเมาเนาะเลยมาจากอุฎอมานี่มันเท่าไหร่คนละไปมันร้อยกว่ากิโลเลยเกือบร้อยยี่สิบกิโลเน่ยจากอุฎอมาเนี่ย ใ, ใส่เวลาเดินทางคั น, นครถซาได้กึงสองชั่วโมงคนนั้คณะรถเรียวไปอีกประมาณชั่วโมงกวกว่าวันนี้เพิ่นมาฮอดเน ก, นกนบอกว่าทั้งคณะกรรมการก็บอกว่าเวลาจำกัดลงพอแล้ว่กัดเป็นไปไดก้ก็อยากให้ลงพอเกาสัมโมทนนิยกระถาสัก1ิบนาที่ในงานแล้วก็ จากนั้นก็จะให้ผู้อื่นขึ้นไปบอกไปก้าวด้วก็เพื่อจะได้เวลากระชับเขาลงพ่อกันเลยเออได้ไปนักไปนี้กันขอดมือก็เลยลงพอก็เลยไปเพื่อนมีม้นสามวัดวัดลงพ่อเนี่ยก็วัดผูกกอดแล้วก็วัดบั่นเพิ่มวัดดีวัดวบั่นเพิ่มมากว่าไรเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่ไหนว่นสุดท้าสิบเอ็ดโมง บารามา่าแถวๆมันมากเก่าโมงบ้านเพิ่มมาสันฉายบ้านเนี่สันทีบ่แล้วตัวมันก็เลยบอกมันเลยพอได้มากติดต่อบอกมากกับบอกบ่ท่านก็เลยพอได้มากเลยนางน้ากันซองอกเป็นนางน้ากันจากนั้นเขาก็เลยนิมนต์หลวงพอ่ามมามมงพอขึ้นไปทํบาร์ไปกาวสัม่อนในยกถาหลวงพ่อก็เลยขึ้นไปหลวงพ่อก็บอกเออเมื่อนี้นับว่า หลึกสรรวันดีวัณโอมเป็นวันณุดมมงคลผู้วาราชการเป็นผู้ใหญ่ในจังหวัดม่เหยียบบานาเหยียบเมืองพวกเข้าสร้างเหยียบหน้าพญาย่ีเหยียบเมืองเป็นชลิมงคลต่อค้นทินนันมณีกับผู้ว่าได้ไม่เหยียบบานเมืองพวกเข้าเป็นชลิเป็นมงคลแต่หนาเสียดายที่ว่าท่านผู้วา่ามากแล้วมีเวลาหน่อยเกินไปขานทาว่ามีเวลามากกว่านี้ พวกเข้าก็จะได้ไท่ถามสารสาทุกสุกทริปกิจการเปลี่ยนท่านผู้ว่าการข้องสิบหกผู้ขานในเหตุจังไรเดินแบบไรก็จะได้ถามไทยแต่นีเวลาคนมีน้อยมากเพราะนั่นพวกเข้าต่อไปไพ่ภาคหนาขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาทิ้ฐานบ้านเท่าขอเวลาสักมื่นถึงเต็มๆลงพอว่าปะ จากนั้นหลวงพ่อเองก็คือกันคณะกรรมการก็ให้หลวงพ่อกาวสั้นๆเพื่อจะได้กาชับกระชับเวลาเพื่อให้ท่านผู้ว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องประชาชนแต่สําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็บอกว่าได้บอกเป็นอย่างยิ่งดีอย่างมากเพราะหลวงพ่อเองเอาการเราเล่นศึกษามากกับเราเลยนแบบสั้นๆ แหมลำเรียบแบบสั้นๆแบบกระทัดรัดแหม่จะให้เบาเหยือดอเจ้ากระชักเสียเอาความเบาใส่เบา ว, าว่าเพราะเหตุใดเพราะว่าลุงพอนี่เฮี้ยนมากแบบกระทัดรัดแบบสันสนแหม่ลุงพ่อเสีเบอกประวัติให้ฟังสักหน่อยก่อนหน้าแหม่ลุงพ่อนี่ยบวชมาแตงแต่ายุเป็นเน้นอายุสิบเอ็ดสิบสองปีเป็นเน้นหลวงปู่หลาบวชมาเป็นเน้นอยุแปดปีเป็นพระปีศูนย์แปด ปีนีาซิปสองั้นห้าร้ยหาซิปนับขอมือบนหน้าถูกหลานนะออกคนหยาดิ่อมน ะ, ะชีวิตของหลวงพ่อนี่ฝังไปในพุทธศาสนาเยาวน่า น, านถึงขนาดนี้แหละแล้วก็พร้อมกันหลวงพอ่อเกษียณอายุราชการมาสมปีหกสิบหกสาปีเป็นอันวานหลวงพ่อนี่แกก็ผัว่าที่นั่งอยู่นี่แหละแกกวา็แต่หลวงพ่อนี่แกถึงจะแกกแกแดดแกร่มแกอยู่ป่าอยู่หง แต่ท่านผัวเนี่ยแกเราแกเลีเ้ยนแกการปกครองแต่หลวงพ่อเนี่ยแกอยู่ปลายอยู่หลงเพราะนั่นหลวงพ่อเนี่ยสีบ่าวยังให้ยืดเน่าของกล้งจะยืดเน่าเพราะใเพราะเหตุใดเพราะหลวงพ่อเนี่ยเวลาเขามาหาคู่บา่ายจารมาบวชมือที่แรกพ่อเขามาบวชครู่บา่ายจารหลวงปู่หลาเพื่อนก็ บ, บอกว่าฮเน้นอานางภาวนานะรับตา แล้วก็เ น, นื้พุทโธพุทโธพุทโธนี่ถ้านี่แหละความเลี้ยนของหลวงพ่อว่าได้เลี้ยนไหลเวลาเลี้ยนก็นให้รับตาอีกก็ให้เลี้ยนก็นให้เลี้ยนแต่พุโทโธพุทโธอีกเพราะนั่นหลวงพ่อจะเอาควาเเบาความวายชั้นจมาเบาให้ออกตทนญาติโยมขยายผลให้ญาติโยมหูจักกว้างๆพราะณันต์หลวงพ่อกับศีพสันสันส้นๆอย่างที่คณะกรรมการเพิ่อนอยากให้เบานั่นแหละว่า ววเวลาลงพอเฮี้ยนกต่เฮียนมากแบบนั่งรับตาแล้วก็บริกรรมพุทโอ้พุทโอ้พุทโอพุทธโอ้โโให้ต่างกว่าเฮียนทั้งหลายทั้งโลกเขาเฮียนทั้งใครเฮี้ยนกอไกข่ก ing, ขอไก่ข้อขวดข้อควายเขาเฮียนจักรดจากนั่นห้องหู้กจากนั่นกับหนึ่งสองสามจนหอดซิปจากนั้นเอบีซดเฮี้ยนเข้าไปอีกจากนั่นกรับสกดกาลัน กว่าจเนี่ยในทั้งยศทั้งทั้งขีดทั้งเขียนเออทั้งมืน่นตาเบึงวนออกไปเออทองแต่ของลงพอนี่เฮียนต่างกว่าคนทั้งหลายก่อนจเีเนียนก็ต้องรับตาสักคนจากนั้นก็พุทธโธพุทธโธพุทธโธทถททนัดวนออกไปไอ้ในลงพ่อเฮียนน่อยแต่เอเ อ, อเถอะลงพ่อเฮียนน่อยคุบ่ายจารย์เพื่อนใเนเฮียนจังสันแต่จุดหมายปลายทางของการเฮียนของเพิ่นเพื่อนว่าให้เฮียนเรื่องของใจ อ่ที่เบิ้งพุดโทษผุดโทษให้เบิ้งใจเจ้าของใจคือหยัง่งใจคือความรู้ใจคือความคิดถ้าหาว่าทั้งโลกเขาก็ว่ามั่นสมองใจคือสมองสมองคือความคิดในความคิดน่คือสมองใส่สมองคิดแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าคูบ า, าจารพนวัดใจใจเป็นไงใจเป็นหัวหน้าทำเร็ดเดาโดยใจขนาดว่าข้นหมุดมีใจอ ใจเน่ยคือมาใส่สมองอีกที่นึงสมองนี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์คานาวาคนบกดคอมพิวเตอร์สมองก็ทํางานบไดายคานาวาใจบอมีถืมากกดคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็บรทํางานอคือบบบเปิดสวิตช์มันมานไปนี่คือกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าคนบวบเปิดสวิตช์กดคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัิฉลาดมันได้มันก็เหตุงานบไดาอันนี้คือกัหัวสมองของคนนี่ก็คือใจมากกด มากดคอมพิวเตอร์อแต่บางคนก็บอกว่าเอาเป็นอยัางลงพอว่าคอมพิวเตอร์เป็นอย่างยังความคิดความฉิเฉลียวฉลาดยังบคือึ้นกันลงพอกับเปียบเทียบวนะขั้นของคนหัวพอดีก็คือคอมพิวเตอร์เมืองเล่า่นออกไปพรหัวดีขึ้นมากคอมพิวเตอร์เมืองไถ่คนไปเพราะหัวดีขึ้นมากคอมพิวเตอร์เกาหลีไต้หวันอ ยี่ปุ่นของอเมริกาเป็นชั้นเหล่า ว, วันอไปแต่ขึ้คอมพิวเตอร์ชั้นดีวันอไปมีชั้นดีชั้นโบดีได้คอมพิวเตอร์ขึ้นกันนะโมแมนต์ีมีประสิทธิภาพเสมอกันทั้งหมัดอันนี้ขึ้นกันนะแต่ขึน้นนหัวโบดีก็ขึอกันบ่มีวัดศาสนาบ่มีบุญวาสนาบา ร, รมีเกิดมาพบที่แล้วนะคือมิต่กินเหล่าเมายาก็เรื่องหัวสมองโบดีวันไปข้าคว่าโปรยสางบุญสางกุศลมีสติปัญญานั่งสมาธิภาวนา ด้วยเหตุด้วยผลเกิดมาพบนี่ชาตินี่สมองเขาก็ดีคนออกไปในเมื่อสมองดีคนพิภัารใส่สมองกระฉลาดคนออกไปมีบุญพร้อมเครื่องมือก็ดีคนผู้ใช้ก็ฉลาดแหมมันก็ไปทําการได้คนออกไปคานว่าคนที่ใสรแหม่โง่เครื่องคอมพิวเตอร์ฉลาดจริงๆมันก็ใส่ในความผูกหลูกความคิดของเจา้าของมันบ่ยฉลาด พนนันในลักของพุทธศาสนาเนี่ยพนวาใจเนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเนอะใจเป็นไงใจเป็นหัวหนา้สาสําเร็จด้วยใจถต่ตียกเป็นบาลีขึ้นมากกวโโา่ามโนกุพังขมาธรรมามโนเสรามโนโมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นไงมีใจเป็นหัวหนา้สาสําเร็จเ ล, ดลวด้วยใจเพรันนั้นในลักของพุทธศาสนา ใ, นให้เบิ่์ใจใจติมเป็นไงใจเป็นหัวหนา้าขั้นหัวหน้าบอดีเช่งไดกับบดีตามทั้งหมดแต่ยังหกคู่มือนีขคือกัน เขาเขาวัาปพเทศอเมริกาจอร์ตปูดเป็นหัวหน้าโลกคานาวะท่านจอร์ตปูดบอมีคุณธรรมบอมมีศิลธรรมบอมมีจริยธรรมที่ดีกันร่งแก่เบียดเปลี่ยนโลกโลกทั้งหลายก็เดือดร้อนบุญไหว้พระจักประเทศยังหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้พวผูว้ใหญ่บ่ดีเดี๋ยวกันยุกให้ประเทศนะเดี๋ยวกันยุกให้ประเทศนี้ือตีกันวันไปอันนี้บอกผู้ใหญ่บ่ดีหัวใจบ่ดีแต่คานวาว่าประเทศชาติประเทศไทยของเขา้า หัวหน้าบอดีคือนายกบอดีกันนายกบอดีแค่นั้นแหล ะ, ะกวนบาทกวนเมืองร่งแกเปลียนเปลี่อนปรจักต่อยังเดือดร้อนบูดไหวไปอันนี้ก็คือหัวหน้าประเทศบอดีหัวหน้าจังหวัดบอดีก็คือผู้วา่าราชการจังหวัดเป็นผู้วา่าบ่มีคุณธรรมบ่ ม, มีศีลธรรมจริยธรรมเอมาปกครองก็ทําให้จังหวัดนั้นยุ่งเยิ่งบูดไหวเพราะเหตุใดเพราะหัวหน้าบอดีในอําเภอคือกัน ในตำบลกำนั่นคือกันผู้ใหญ่บ้านคือกันหัวหน้าครอบคัวคือกันหัวหน้าวัดคือกันขั้นหัวหน้าวัดพอดีบ่มีคุณภาพบ่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมวัดนั่นก็เดือดร้อนวุ่นวายบระจักษ์ยังตอมยังกอมปจักษ์หยัดปรจักโยมปรจักพระจักเน้นสรรวอดวุ่นวายเพราะเหตุใดเพราะวะ่าหัวหน้าปกครองก็อยู่อนไปบาทานี้มา ถ, ถึงพวกเข้าทันทั้งหลายวาน พวเข้าทันทั้งหลายนางอยูชาราเนี่ว่นานั่งฟังอยู่ทั้งหมดัดมีมีหัวหน่าอยู่หัวหนึ่งคือใจมีลูกน้องอยู่สองคนคือกายกับว่าจา่ากายคืออย่างคือกายก็คือร่างกายของเขา้าว่าจ่าคืออย่างคือคาพูดของเขา้าอยู่ในตัวของเขาเนี่ขั้นทางว่าหัวหน่าบอดีโยนออกไปสร้างกายออกไปเพราะหัวหน่าขี่เหล่าหัวหน่าโม้หัโทษโศหัวหน่าบม่มีคุณธรรมศีลธรร ม, มจริยธรรมยางว่าโยนออไป ปล่อยกายออกไปไมจะเตะไม่จะถิบเอา่เอาอม่จะโตบ๊บใส่โตบ๊ตบฝาโตบ๊บหนาโตบ๊บหลังวันออกไปโบฟังเสียงพัดคนอยู่ไกล่ก็เดือดร้อนวุ่นวายวออกไปแต่ขั้นทรงวาจยาออกไปลูกน้องออกไปด้่าพุนด่าพีดด่าจะสูญจะไสา้จนโมมีทีผัวใดจีฟังได้อันนี้ก็คนอยู่หลอกค่างก็เดือดร้อนวุ่นวายเป็นอันวา หัวหน้าเป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญยางมากจะต้องได้รับการอบร่มอบร่มยางดีจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขนั่งกันได้เพราะนั่นหัวหน้าจะต้องได้รับรับการอบรมให้มีฮิริคือความละอายแก่ใจโอถปะคือความกลัวต่อบาปคณนววาหัวหนา้ามีฮิริคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวต่อบาปแล้วพวกเข้าต่างคนต่างหัวหนา้าทุกหัวหนา้า มีหิริคือความละอายทถสิ่งนี้ไปมันโมแมนมันบอถึกนะอละมัดระว่างนะถ้าว่าท้ำไปแล้วเดือดร้อนเขานะาต่างคนต่างละมัดระหว่างของไัยของมันโลกทั้งโลกก็จะมีความสงบลมเย็นเป็นสุขขันอาวโลกทั้งโลกขาดที่ริกรอุตะปะสองอย่างไมีแต่เอาใจเจ้าของอยู่ตลอดหลวงพอว่ามีแต่ความเดือดร้อนบุญไหว้เกิดในชุมชนของพวกเขานะหลวงพอก็มาพูกเรื่องการ ดำล่งชีพโลการบริหารจัดการแหมอย่งนายหลวงเพึ่นบอกว่าแหมเศรษฐกิจพอเพียงเอาได้ยินไปใสมีแต่ผููบอกโดยหมากชวนราชการมีแต่มิตรบอกภูได้ไปใสกับเศรษฐกิจพอเพียงหลวงพ่อว่าควรจะพอเพียงไลยก็เบิ่งใจเจ้าของแอม่พึหัวหน้านั่นแหะขั้นหัวหน้าผู้จักแก้ใจเจ้าของเงินเดือนราชการพวกเข้าเป็นครูก็ดีเป็นพยาบาลกำนัลก็ดี เป็นข้าราชาการทุกหน่วยทุกเล่ากว่าดีถ้าว่าเงื่อนเดือนว่ามีประเด็นหูจักยิ่งกว่าตัวของเฮาเดี๋ยวนี้เฮามีเงื่อนเดือนเท่าไหรอเฮ้าให้หูจักการบริหารจัดการกับเจ้าของคันว่าเฮามีเงินเดือ น, น <c oughs> เ, อบบอนเมืเเอเอม่อละพันบาทเฉอๆสมมติว่าเฮาถึงเงื่อนเดือนอหนึ่งหมืน่นเฉยๆหนึ่งหมืน่นสามหมื่นเมือเม่อกี้บอฮอดเน่ะข้าราชาการคู่ลงไป เงินเดือนเมื่อหนึ่งเถอะสิเมื่อหนึ่งถือเมื่อไรเท่าไรเมื่อไรหาลอยเนี่ยการเมื่อลรหาลอยขั้นเท่ากับการอนูบาลนี้เาสีใสอย่างไหนเมื่อไรหาลอยเท่อค่าน้ำเท่าไรค่าไฟเท่าไรค่าน้ํามันเท่าไรเนีค่าวิทยุมือถือเท่าไรขั้นว่าจาเป็นเท่าที่จำเป็นในไซบอา์กวิทยุมือถือว่าจาเป็นเทาก็จะไปหาสื่อมั่นเนอค่าอาหารของหลวงค่าขอบขั้วละ แค่นาว่าเฮ้าบกพร้อมเขาก็จะไปหาแต่งงาน่อนไปพอเฮ้าสีเหลี่ยงเขาบคุมกันไปแค่อันนี้เฮ้าก็เบิงจบของอีกบานเฮ้ากับเบิงจบของเออผู้ค่านี่สีใส่งานขนาดนี้ถึงอย่างได้ก็ตามมือละหาลอยผู้ค่าจะให้เหลือไว้มือละลอยมือละลอยบาทนผู้ค่าจะให้เหลือไว้แค่นาว่าคูไดก็ตามคันไหนเมือละหาลอยไปจ่ายมือละหาลอยหาสิบหรือมือละหกลอยหาสิบบาทกับหนึ่งลอยนั่นแ่ะอันหกลอยน้อลอยปลายนั่นแหะ นั่นแหละจะเป็นเครื่องบริหารเอจ้าของมันจีบโลงตัวเอาไปเศรษฐกิจมันจีบโปเพียงพ่อมันจีเป็นหนีเป็นศินพอรุ่งพะลา่งตามมาคานาวาใส่พ่อตัวมือละหาร่อยก็ยังพ่อทําเน่าคานาวาใส่มือละสี่อยเก็บไว้ลอยหนึ่งเก็บไว้เพื่อหยั่งเก็บไว้ก็เพื่อหนึ่งในอนาคตมืออื้อนมือหือ้เอเขาสีใส่หยัง่งเขาสิเห็ดจังไดในการใช้เงินจุดหนี้มืออื้อนมือหื้อนี่ย เมื่อเก็บไข่ได้กล้วยเนี่ยต่อไปพ่ายภาคนาเนี่ยบ่มีผลเอกรับประกันชีวิตของเข้าได้เข้าอาจจะเข่าล้มพยาบาลก็ท่านหันก็ได้พ่อแม่ของเข้าพี่น้องของเข้ามันโมเมนตแต่เข้าคู่เดียวเข้าก็บตองติดเตรียงใบขึ้นกันแหน่พวันั้นเด็เก็บใบลอยหนึ่งเมื่อละลอยเมื่อละลอยเมื่อละลอยไปเรื่อยๆแห่ะหลายหมื่นกับหลายรลอยแปลวันลอยเนี่ยบ่ตรงเอามาใส่ไปว่าเก็บไปแล้วใช่แล้วเอาทำไปต่อมาเนี่กะ น, นี่แหละบาทเนี่ เขากับเบร์บริหารจัดการเข้าเบรงเข้าให้เรียบร้อยนี่แหละเศรษฐกิจมันสืบพ่อเพียงเองคณะว่าพวกเข้าเนี่ยอ้ขั้นบอ่อหูจักหาไอ้หากระชีขาดแล้ว ก, ก็บ่อหูจักเก็บเก็บก็เก็บบ่อเป็นแล้วก็บ่อหูจักใส่เอ้คำว่าบ่อหูจักใส่คำนี้มันใส่เกลงโพดเลยคำวา่าใส่นี่ยคือบ่อหูจักใส่นี่คือคืออย่างหมดไหมคำว่าใส่เกลงโพดวันเดียวเนี่ยทุกคนใส่เกงโพดแต่บ่อหูจักใส่กับมันคนละขักันเนี่ โปผู้จักใส่คนไปคือโปผู้จักใส่คือใส่สุดุยสุดลายใส่บูจักกาละเทศะมันไปใส่ไอรุยฉุยแฉคนไปเสี่งว่าเป็นเธอสื่อสื่อดาไปมดัดอันนี้แปลว่าโปผู้จักใส่คันปูผู้จักใส่เลยมันจําเป็นมากหน่อยแค่ไหนเข้าสิตใจสีใส่เงินอันนี้อันนี้นะห้เข้าเครดิตคนไปเนืเ่องเมื่อเขาได้เงินมาแล้วเนี่เข้าจะต้องแบ่งเป็นส่วนๆเนีน่ยค่าหนักค่าไฟค่ายูค่ากินของเขา้า จากนั่นกัเก็บให้พอ่อให้แม่ให้พี่ให้นอ้องให้ลูกให้ล้านแบงให้เขาเมื่อความจําเป็นจากนั่นก็ไหวทําบุญทําท่านอไหวฝากไหวในพระพุทธศาสนาเพื่อให้กินต่อไปพา้พาหิ้วกหนา่าบะแมนที่กินใสีปากเสียท้ทองแล้วก็ไปิท้ายอลไรกันแล้วบะแมนยังตันเน๊อพบนาชาตดนาละ่ะเข้าจิตกินจังไรแล้วก็พบนี่ชาดนี่อีกเข้าเก็บไหวอีกเพื่อใส่มื่ออื้นเมือ่อฮึเมื่อข้าจําเป็น เซ็งโมเด่เขาก็ต้องบริหารจัดการเจ้าของให้เรียบร้อยท่านทํำไรย่างสี่เศรษฐกิจที่พ่อเพียงท่านาว่าเกณฑ์พอถึงเศรษฐกิจว่พ่อเพียงเนี่ยมีมากอใไรแห้งใส่มากคือมันหามามากใดเท่าไรแห้งใส่มากคือกันกับขูดขวัญหัวเนี่ยขูดขวหัวเขาเบิ้งแล้ตักน้ำมากขยันตักน้ำใส่ปนเอก็ตามตักน้ำใส่ขูดขวหัวตักมาแต่ได้ขวัวตักมาแต่ได้ขหัวตักมาแต่ได้็หัว มันบ่กขืนจักเถอาหน่อไปไปคุขลนหัวอ่าขั้นนว่าโบหูจักเก็บคนลงไปแล้วคูขลุนหัวคือบหจักเก็บหูจักหาอยู่แต่บบหูจักเก็บคนลงไปขั้นหูจักหามาหูจักเก็บไนเลยเก็บมาแล้วโบหูจักใส่บาตนี้พอเก็บมาแล้วบาตนี้มีแต่ขี่แต่ที่ขี่แต่นี่ทีเนี่ยบหจักแบงโบหูจักปั่นอีกบาตนี่อ่าโบมีพี่พี่หนอกโบมี่พักมีพวกโบมีเพื่อนมีฝูงบาตรนี่เพราะขนขี่ที เขามาไ ก, กลกับแม่นาเขาที่มาขอก็ปูบเปรเพราะว่าคืดเหล่านั้นไปนี่มีผักมีพวกมีหมูมีเพื่อนใดจังใดเพราะนั้นมันก็ต้องหูจักแบงปันการแบงปันคืดเชื้อือเจือจานให้แกพีแกน่องแกหลูกแกล้านที่เข้าไดมานโดยเป็นธถ้ำแบงปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรำให้แก่เพื่อนภิกษุสัมมเนนไม่หวงไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียวกนะ็พวกใจเจ้าเพื่อนบ่าไวไหวมืดแหละคอยนั่นพวกเข้าออกตนญยาดโยมลูกหลานพาเนนทุกวงนะ การบริหารจัดการเจ้าของเนี่ยหลวงพอว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพันสอนพวกเขานี่ทำมันยุตตาให้เป็นผู้รู้จักเหตุอัตถันยุตตาให้เป็นผู้รักรู้จักผลเหตุเป็นมากจังใดเหตุนี่มันเป็นมากจังใด้องเป็นจังซี่วนออกไปผลมันเป็นมากจังใดมันเป็นจังเซ่วนออกไปมันมีเหตุเทกวันมันยังมีผลวนไปคณะว่าผลเท่าขีฆ่าวนไป ผลขีข่ขานเข้ากับโมีเงินเข้ากับถูกเนี่ยคนออกไปเพราะเหตุใดเพราะเ ข, ข้าขี่ขานมันออกไปบทมันออกมากเลคือความทุกความจนเอออ่ะขั้นว่ามั่นขยันหมดเข้าเป็นผู้มั่นขยันผลมันออกม า, ก อ, า, มกามอะลรเข้าก็มีเงิน่นข้ามทรัพย์สมบัติได้ใส่เพราะนั่นซุกทิ้งทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลมันไปเนียังว่าทำมันยุตตาความเป็นผู้รู้จักเหตุอัดทันยุตาความเป็นผู้รู้จักผลอัดตันยุตตาความเป็นผู้รู้จักตน รู้จักตนขึ้นอย่างเฮ้าว่าโดยยศฐานบรรดาศักตําแนหน่งนาทีขนาดนี่เฮ้าข่วนดิเฮ็ดตนจังไหนว่างตนจังไหนมันจึงจะเหมาะสมเนี่ยอตันยุตามัดตันยุตาให้รู้จักมั่นในการบริโภคอาหารในการบริโภคการเป็นอยู่สมบูติว่าเฮ้าได้เงินมาจังสี่เพราะศใส่จังไหนเอียจัว่าตะกูลอันมั่งคั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานศีลไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้ว ไม่บูรณะพัสดุที่ข้้มคลา้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือบุรุษผู้ศิล์ให้เป็นพ่อเจ้าเรือนแม่เจ้าเรือนเลอันนี้ก็คือสองขอแหลกลงพอจะบอกล่ า, าวที่กล่าวถึงแต่เฉพาะว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติอันนี้แหละบริโภคสมบัติจังใดเฮามีเงิ่อนขนาดนี้มีทรัพย์ขนาดนี้เฮาเกิดขึ้นมาเฮาสีใสจังไหรมันยังสีเหมาะสม กันว่าเขามีเงินขนาดนี้เขาไปใส่เกินฐานะของเข้าเขาก็ต้องถูกอยากแน่นอนเป็นหนีเป็นสินพลุงพลั้งพในสุดก็บขายให้ขายหน้าเป็นคู่บาอาจารย์เป็นข้าราชการเี่ก็ตั้ไปกู้หนี้ยืมสินมากเวลาเขามาท่วงหนี้ยืมสินเพราะว่าเขาสิมากเนี่ยโดดล่มแล้วลงไป่าติเขาเจ้าหนี้มาท่วงห น, นี้เป็นเรงสั้นนะพอเหตุไดพ่อโบวรจักประม่านบริโภคเจ้าของ อย่างส่วนราชการพนว oh er like réussi, p p cort, ่าพินจิตปหนี่ปหนี่ข้าราชการปหนี่ลงพอว่ะปหนี่มันปศปอะไรดอกขั้นปศก็ต้องปดความโลภในใจของข้าราชการลงขั้นปศความโลภในข้าราชการลงใดนั่นแหละถูกต้องถูกจุดตัวนัอนไปขั้นปศความโลภซื่อคั้นปศหนีซื่อมันปศปอะไรดอกอขั้นนีมอดแต่ไส่แล้วกันย่งหนี้รถปิ้งอับ พศนีรถปิ้งอัพแล้วพยัปดพดนีรถเก๋งคันปีนรถนีรถเก๋งหรืรถเก๋งพลั่งอีกป่ะเนี่อหนี้บ้านอกีกหนีโทรศัพท์โทรทัศน์ติดตู้เย็นอีกหนี้บ้านอกีกมันม่จะดีครับหนีกันผู้จักประมานในในการใช้ของเจ้าของลงเข้าอยู่ในสถานะนีเรื่องของเข้าขนาดนี้การเป็นอยู่ของเขาขนาดนี้เฮ็ุอย่างไรมันสหมาะสกให้ย้อนเมืองเจ้าของนี่แหละคันนว่าผู้ใดคืดเบื้องเจ้าขอ ง, ของา น, านั่นอะ การบริหารจัดการก็จะฟของสถานะความล่มสงบลมเย็นเป็นสุกขก็จะเกิดขึ้นครับคนภูนั้นครอบขั้วนั้นก็ลงไปประเทศชาติบ้านเมืองก็จะล่มเย็นเป็นทุกอันนี้เระรู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติมันตั้งสตรีหรือบุรุษทูตินให้เป็นเจ้าเจ้าเลือนเจ้าของสมบัติก็ลงไปเคือสมบัติของเขานี่คันธวะพวกเข้าได้มากแล้วทั้งเมียเนอ่ พ่อผัวก็ทำงานเมียก็ทำงานหรือผัวทำงานมากพ่อได้เงินมากเลยเอ้าแม่อีนั่งให้เจ้าถือใบนะเนอะดูแลได้เงินเนอะบริหารจัดการเนอะบานานไ้แม่อีนั่งเขาเนี่ใจใหญ่พออกไปเออไปเล่นบัตรเลีนเบอร์ไปจัดมีเงี้ยมีเงี้ยังยีงซืง่อมัดกี่ลุกฉุยแจกพอลงไปพ่อเจ้าบา้านในคนเงินมาให้ให้แม่อีนั่งถือเนี่ยบ่อนดอกพอลงไปเออเป็นหนี้สินพะลุงพลั่งมีดายสายสายสายแหง้ง ใจง่ายหมดไปเพิ่เพิ่ ม, มยังเที่ยวยังเตะเข่าล่งบาล่งบ้ า, บ า, บากินเหล่าเม้ายาอีต่างหากพอนี้สุดครอบพวัวนก็ไปบอลลอดขึ้กันเพราะว่าเออคนทุ้สิทให้เป็นเจ้าของสมบัติขั้นว่าพอเจ้าบ้านคึ้นกันใจง่ายผู้ทุศีสมบัติเล่นเอาไว้ายามุกทุกอย่างอพอเจ้าบ้านกินเหล่าเมายาสุลาน้ารียังบ้านให้แม่เจ้าบ้านหาเงินมาให้เอาให้เจ้าเป็น ผูรักษาทรัพย์สมบัติเนี่ยพ่ออีนั่งพ่ออีนั่งนั่นแหละสิผ้าหรบขอบครั้วหล่มจมเพราะเหตุใดเพราะว่าบ่รู้จักในการบริโภคสมบัติโมหูจักในการดูแลสมบัติเพราะเป็นผู้ทุศิลป์นี่แหละพราะพุทธเจ้าพันว่าไว้แล้วสองพันกว่าปีเลยไอ้พวกเข้าลูกหลานออกตอนญาติโยมทั้งหลายคิดเบังให้ดีวันหนไปอันนี้เป็นว่ามัดตันยุตาไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ กาลันยุตาความเป็นผู้รู้จักการเวลาการเวลาก็คืออย่างเข้ายู่จังที่สมัยเข้าหน่อยเข้านุมเข้าก็ทํามาค้าขายทํามาหาเหลี้ยงชีพกลางขึ้นเป็นควันกลางวันเป็นเปรียววนปไปการทํางานทําการของเข้าต้องสู่อย่างสุดๆเพื่อชีวิตของเข้าแต่บานาเมื่อเ่ามาแล้วบานเถาแก่มาแล้วเข้ากับเขาวัดเขาว่าหาหนทางตกของ ไปวัดไปว่ารักษาศีลภาวนาสร้างสมบัติให้แกเจ้าของหาสมบัติให้แกใจเจ้าของอันนี้พลวาให้รู้จักการเวล่าบอแมนสิเถ่ามาเทไรแหงลุกแห้งขยันคนทไปบกหูจักฝ่อมือเจ้าของสิตายอันนั้นก็บอถือเดะให้รู้จักการเวลาเด้เมื่อหน่อยมวลนมเข้าก็ต้องทํางานทําการเมื่อเท่าแกฉาล่ามาแล้วไปหูจักหาคนทางเจ้าของอ่าไฟนั่นให้พวกเข้าทั้งหลายให้รู้จักาาจการเวลา กาลันยุตาปริสันยุตาเมื่อเขามาประชุมช่นยังเขามาหาวัดลงพอนวล่าลงพอ่อสรีบ่ออย่างมาหยัง่งมาวัดลงพอมากเพื่อคารวะมาฟังโอวาตรของลงพอ่อถ้าเพื่นอนสรีบ่ออย่างให้ฟังเอาเพื่จะได้ฟังเพื่อเป็นคติตัวอย่างเตือนใจของพัวเข้าพวกเขาก็มาหนาังฟังนี่แหละลงพอ่อเขาว่าให้ฟังเพื่อให้พวกเข้าได้เป็นขอคิดกัอนออกไปแปลว่านางอยู่ในสงบสงเงียบเรียบรล่อยฟัง ผัวอาจาร์เบาหรือไปในสถานที่ใดก็าตามไปพังฟังพระสวดมนต์ไปพักฟังพระสวดอภิธรรมเอ้าไปนั่งฟังให้หูจักกาละเทศะไปอบอแมนสิไปมาวัดมาว่ า, วาก็ามาคุยกันแอบชุบชุบๆๆิบชิบแอบหบขวนผู้อื่นไปฟังอภิธรรมกันนั่งคุยกันบริฟังพระสวดอันนั้นแปลว่าปโป้หูจักกาลเทศะแอบคั่นว่าเป็นโรคหนังโรค ล, ละข้อนเขาสิแค่จังใด ไปโลงหนังโลงเราคลอดเทากับต้องตบเพิสยโยโหู้หิวน้ำเขาคนเราไปทั้งฟ่อนทั้งแอนกับชุดแทแทวคนเราไปพอเข้าไปยังสั่นเดี่ยคานาวาเข้ามาวัดมาว่าบ่านี้มานาังสิสิมาตบไม่ตบมือร้องเพลงมันก็วอมเมนแนวอันนี้ไปว่าบุหุจักกาลเทศะอไปใส่ขวางโลกขอามมัดขั้นไปยังสันคนเราไปขั้นไปใส่ให้หุจักชุมชนในเมื่อเขามาหาคนปฏิบัติตนจังไหร่ นี่แหละให้หุ่จักเข้าไปให้อา่านชุมชนและสังคมของเขาออกในเมื่อเขาเอไปชุ่มชนของเขาพ่อแม่เขาตายเขาลหลงโฮมหองไหายเข้าทํทาท่าใจถึงเพชรจังไหนก็ตามเข้าไปเห็นเขาเข้าก็ต้องท่าใจละห้อยเค่ายว่าโอ้นาสงสารเปชรจังไหนจะแก้ไขจังไหนเพชรจังไหนสีซอยจังไหนเข้าก็ต้องท่ำใจจังสันต้องท่มากับกิริยาจังสันบอบมแมนต์ไปเห็นเขาโศกเขาเศร้าก็จิต ล่องเพลงซอนั่นหมดซอ่นี่เอให้เขาเบิงหัวเลาะล่าเรื่องเบิกบานก็เป็นการเยื่ยยานเขาเนี่ยอันนี้แหละพลว่าให้หูจักอบุคคลนมันออกไปาการสถานที่บุคคลอปักจักนั้นก็เพลว่าประชุมชนให้หูจักประชุมชนเมื่อเขาไปหาค อ, อที่สุดท้ายว่าปุคละปาโลปาลันยูต่าให้หูจักบุคคลผู้นี่เขาไปหาคนแสดงอกับกิริยาจังใด ข้นจะพูดจังไรควรจะทําจังไรเมื่อเขาไปหาบุคคลผู้นี้อันนี้กะว่างตัวให้ถูกอันนี้ผลวานนี้แหละสรุปแล้วก็คือให้ใส่ปัญญาทั้งหมดการว่าคนโง่โมหุจักหรอกโมหุจักกาละเทศะโมหุจักบุคคลโมหุจักเหตุผลโมหุจักการกระทำของเจ้าของกานว่าพวกเข้าใช่สติใช่ปัญญา ตามเนีแถวหลักของพระพุทธศาสนาที่ประถมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนแนะนําคูบาตาจันแนนาสั่งสอนแล้วพวกเข้าไปในสถานที่ใดทิ่นใดก็จะปับปัวปรับตัวให้ถูกต้องอกับกาลเทศะบุคคลนั้นๆจะเป็นผู้สวยงาม เ, เพราะฉะนั้นพวกเข้าทันทั้งหลายที่มาวัดหลวงพอก็ให้ตัง อ, อกตังใจเนาะอันนี้คือสอนคดีโลกคดีโลกให้พวกเข้าส่วนคดีร้ำก็คือ พวกเข้าได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติจากพ่อแม่คู่บาอาจารย์ได้ฟังเทศธรรมเทศนาคู่บาอาจารย์วิทยุขององค์ลวงตาเพิ่นประกาศจูป่ปากปางทั้งแหลง่งทั้งผลทั้งคำทั้งขึ้นทุกเวลาหน้าที่ให้พวกเข้าศึกษาให้พวกเข้าฟังนอองห้าเเปิดย้ำไรก็ได้ฟังวิทยุจะไปฟังแต่เพงแต่ลำ สิ่งที่ไหล่ประโยชน์ให้ฟั่งเทศฟั่งถ้ำฟั่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนที่เป็นบุญเป็นกุศลเข้าสูจิตใจของพวกเข้าเนี่ยเพราะพวกเข้าตายแล้วพอศูนเนี่ยตายแล้วเกิดอีกนี่ลงพอเว้าอยู่เสมอเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าเพลินไปแหมพิสูตนมาแล้วสมัยขังพระพุทธเจ้าเพลินอยู่ในเบี่ยงในวังเพลินกับสีสงสัยคือกันกับพวกเข้าท่านทั้งหลายนี่แหละแหมคนเขาเนี่ตายแล้วมันไปใส ย, ยังมีจีรียอยู่อ่ะนหมจะไปจไังใด พ, พ่อพุทธเจ้าพ้นก็นเลยเสียสละเวียงว่างออกไปวนออกไปไปอยู่ในป่าถึงหกปีไปขนฟ้าหยุ่นล่องผิดลองถูกลองถูกลอ่กลองพิษจนถึงหกปีพ่อวันเดือนหกเพ่นพ่อพุทธเจ้าของเฮาเนี่ยเป็นนางคัดสมาธิเดยอหันหน้าไปทั้งทิศตะวันออกขาขวาทับขาสายมือขวาทับมือสายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำลนดล่มหายใจหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข่ารู้ว่าหายใจเข่าหายใจออกรัวหายใจออกจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อขจิตเข้าสู่ความสงบแล้ ว, เ, ว, ลวเกิดญาณทัศนะเกิดชาติแล้วไประลึกชาติผลหลังใดอ่ะให้พวกเข้าฟังเบ้างนะพระพุทธเจ้าเพื่อนรู้ทัศรูอย่างในคืนนั่นน่ะในวันเดือนหกเพ็ญน่ะปุกเพ็ญในว่าสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังใดแสดงว่าตายละเบอศูญย์แมนบอกอ่ะ ให้เข้าเสือพระพุทธเจ้าเข้าเสือพระพุทธศาสนาต้องเสือพระพุทธเจ้าไว้ก่อนวนไปแอบอย่าเป็นคนหูหนวกตาบอดถึงเข้าจะตาบอดก็จริงโย و, แต่ก็เข้าต้องเสือคนตาดีไว้เสือพระธรรมขัสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้แอบพระพุทธเจ้าว่าปุเพในวาสานุตติยานละลึกชาติผลลังได้แอบพอถึงเทียงขึ้นมาจตูปะพับจตูปะป่าแตายยา่ย่านแอย่านยังรู้วาวิญญาณนี่จังพวกเข้ามาเกิดมาจากใสมาเกิดเพื่อนกับเบิงตาม ห ล, ล่องรอยบะมาเกิดพบหนีชาติหนี้เป็นอย่างเขาจึงลำบัจังรุย้ยเป็นอย่างเขาจึงทุกจังหยาดเป็นอย่างเขาจึงมีอุปบัตอุปัติอ่าประสบอุบัติเหตุจังสี่มีเหตุจังสีุ่กสิ่งที่ผมพึ่งปาถนาจังสี่เขาทํากรรมไวในอย่างไว้ในอดีตชาติเพื่นกติบเบงให้บังหูมัดส่วนออกไปเป็นสายเหย้าเยียดมากอ่าเพราะว่ากรรมเก่าของเขาบอดีเหมืนวางสันขั้นว่าผู้ใดมีบุญกุศลเกื้อคุะเออเขาทํากรรมดีมาแล้ว เขาจึงมากเกิดพบนี่ชาตินี้เพราะนั้นตายลราบ่อสูตรตายเราเกิดอีกเพราะนั้นพวกเข้ายาประมาทให้สร้างสมบุรณ์กุศลเอาไว้เกิดมากพบนี่ชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสานาได้พบพ่อแมอ่คู่บาอาจารย์ให้ทําบุญทําท่านให้ครบรบิดามัรด า, าของเจ้าของบิดามัรดาของเจ้าของนั่นแหละเป็นพระหันในครอบครัวให้พวกเข้าย่าดูถูกเหยนะียดหนักยามพ่อแมอ่ เห็นเพล่นก็ให้กราบ์เพลินให้าใหหวายเพล่นเนี่เขาน้ามโค่นชนะอาหารขนมนมเนยพวกเข้าสิ่วยเหลือพ่อแม่จังใดจังใดไ ด, ไดเข้าขยันใจใหม่เสีมือของเพลินเงื่อนค้ามรัพสมบัติให้เพลินได้ใช้ได้ใจเนี่ยอันนี้ให้กาพ่อแม่ของเขา้าเนี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขันว่าพวกเข้าเฮ็ดดีในโลกนะเข้าเฮ็ดดีกับพ่อกับแม่เพื่อเข้ามีหลูกมีเต่ามีหลูกพีห ล, ลานมากเขาก็เขารบเข้าตามขั้นตอน ขั้นเห่าเฮ็ดบอดีกับพ่อกับแม่ลูกเต่าเหล่าล้านก็บเฮ็ดกับบอดีกับกับเผ่าบอดีเด้พอในนั้นไอ้พวกเห่าเฮ็ดดีกับพ่อกับแม่แล้วก็พอบุญอเนกสงฆ์ที่เห่าถ้ำดีแล้วนั่นจะเกื้อกูลหนุนเห่าบอกลูกบอกล้านผู้ใดเขาก็เสื่อเขารลบนับถือเห่าคันว่าเห่าเฮ็ดบอดีนั่นแหละอกับบอดีจะตามมหาเห่าคือกันพอในนั้นพวกเห่าทุกๆคนน่าให้สร้างสมบูบุ์กุศล อยู่ในบ้านบ่าได้ไปวัดกันนี่แหละเขาหลบปีดามัรดาปฏิบัติอุปธรรมประทัพ่อแม่ของเจ้าของนั่นแหละไปสู่สวรรค์ได้ภ พ, พทเที่ยวพลว่าจังสันเลยคันธรรมว่าพอมีเวลาเวลากขาวันพระวันเจ้ามือใดมันว่างวันเสาร์วันอาทิตย์เข า, ากไ็ไปวัดไปว้านทาบุญทําท่านกับพ่อแม่ผู้บ่าจารย์เพื่อฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาได้ทรัพสมวัติมาแล้วทำบุญตักบาตรเพื่นเพื่อกินในอนาคต อเนกสงสีอเนกสงท่า น, เ, น prés? เกิดมาพบใดชาติใดบ่อดบ่อยะโดยอเนกสงท่านพระพุทธเจเ้าพนบอกวาจังสันพนกล่าววาจังสันที่เฮ้าได้เป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นศาสตาเนี่ด้วยอเนกสงท่านเน๊อห์อเนกสงท่านอเนกสงสีนเน๊อห์อเนกสงภาวนาเน๊อมันต่อมาตามขั้นตอนเน๊อก่อนเฮ้าสิเป็นแกนใดเนี่ยมันมาจากเปลือกเน๊อห์โมเมนติบ่มีเปลือกมาเป็นแกนโหลดบ่อได้ขนออกไป ต้องมาจากเปลือกเปลือกก็คืออยังคือท่านกับผีก็คือศิลนแกนก็คือความรุ่ดพนจิตภาวนานะเพราะฉะนั้นมันต้องสัมปะยุติกันทั้งสามอย่างเพราะฉะนั้นพวกเขายังมว่ท่านถึงแกนกับสางกับเปลือกไปก่อนสร้างกับผีออกไปเรื่อยๆนะต่อไปกัถึงแกนเพราะนั้นพวกเขาจะอตั้งอยู่ในความประมาทพวกเข้าเกิดมาแล้วนะอีกสักมือหนึ่งนะเข้าจะเดินทางกับต่างประเทศไผัยมั่นเนียต่างคนต่างมาต่างคนต่างเดินทางกับ หลวงพอบ่าอยู่เสมอวะแอพวกเข้าเกิดมาแล้วย่อมมาทูดเขาเขียนวีซ่าให้เลยเด้แอบ่ายนั่นนั่งนี่ไปเกิดเราเออเอาไปสั่งนะ เ, เจ้าสีสั่งยันก็ะชุดแท้แต่อีกมือดีขึ้นดีนะ่ะเดี๋ยวสีทรงวีซ่าไปให้ย่มมาทูดเขาวางสันฝอยนั่นเขาก็าเลยส่งวีซ่ามาให้พวกเข้าเดี๋ยวก็ผู้นั้นไปรับวีซ่าเดินทางกลับพวกนั่นเป็นวีซ่าเดินทางกลับ ไอ้ผัวเข้าวเขาได้สรงบวัชบวไยวันออกไปเด็กก็ทรงผู้นั่นขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวก็สรงผู้นี้ขึ้นเครื่องบินเอ่อเถานั่นนั่งนี่อีนั่นอีนี่ก็ว่ากันไปแล้ววันไปเอ่อสนทรงขึ้นเมนน่ะเอ่อทรงขึ้นเครื่องบินทรงขึ้นไปแล้วว่มีวันกลับคนออกไปเอ่อทรงกลไปแล้วมีติ่งเลืวันไปเออเอ่อคอยกลับบ้านเก่าเลยเด็บมาฮนี่ก้อนสี่ขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศน่ะเข้าได้เก็บเงินอนใบบอเอ่ พอําคัญนเนียพอสําคัญจุดหนีหวนไปยังพระพุทธเจ้าเพ้นไปฉันอยู่บ้านในช่างท่องเนียในช่างทองอยูุคุงสวัสดีพอในช่างท่องบอเคยเขาวัดวนไปแต่ลูกนี่เขารบนับถือพระพุทธเจ้าแต่อย่าให้พอฟังเทศส่วนพอไปบัดเนี่พอกอบใบวนไปในมโนพระพุทธเจ้ามากวาเนี่ยมาฉันในบ้านมาฉันในบ้านให้เจริญพระพุทธเจ้ามาสาลหนึ่งพออบไปก็ที่บุคคลได้บานนี้เป็นบ่อเลยพอกไปนางไปฉันไปนาง ฝ่อพวกพุทธเจ้าพ่อฉันเช่นแหละพวกพุทธเจ้าก็ะหายโอวัตคนว่าพวกพุทธเจ้าคนว่าอแอ<ผ>บพราม์ว่าไงอ่าออีกซังเมิอนึงจะได้เดินทางกลับเน๊ะในเตรียตร๋ยวเบียงเดินทางไปเพียงพ่อะอะไรยัง่งเดินทางแต่เบียงเดินทางในเตียมไปะอะไรยัง่งที่จะเดินทางจีบอได้รับความทุกข์ยากเออัารเป็นเฮ้าสีเดินทางไกลสีเตรียมรองเท้าไว้เป็นบมดอ่ะ เนีเตรียมหมเตรียมลองเท้าเตรียมเสื้อเตรียมกระเป๋าอันใดเขาจะเดินทางไกลเตรียมยุกเตรียมยาเตรียมอาหารการบริโภคพวกนั่นแหละต้องเตรียมพร้อมข้านาว่าบ่ได้เตรียมพร้อมไม่ยังมาท่าหอดมือเด็กเขาให้ไปเด็กให้พาให้ส่งกางเกงสั้นในตัวเดียวย่างลงโดยลงโดยเข้าไปเด็ทั้งผลตกถูกตกข้ามเลยลำบากได้ทุกได้กขันบ่ได้เตรียมพร้อมข้านาวาเจ้าเตรียมพร้อมเจ้าจึงมีความสุขในการเดินทาง อถึงแดดจะออกมากมีโฮมกังฝนตกมากมีโฮมกังเดินเขาเหยียบกี่หินก็มีรองเท้าใสเวลานอนนอนเวลาห น, น, ห น, นวาวมากก็มีเสื้อนุง่งไอ้เจ้าจะตั้งอยู่ในความประมาทเลยเดินทางกลับแน่นอนเลยเพราเป็นอย่างอื่นปพปกติเจ้าเตือนกังสัน้นเลยแล้วปัดผ้าไปสีพิพักมองไรล่ะได้คิดไว้แล้วยังอได้คิดไว้แล้วยังวัดสิไปพักทางวนทางที่เดินทางไปที่พิพักใส่คิดไว้แล้วยังอ นี่เพราะพุทธเจ้าควนเตือนหนึ่งจานนี่เตือนอนาคตเลยปัจจุบันมันผ่านมาแล้วดีมันก็ดีมาแล้วชั่วมันก็ชั่วมาแล้วลงไปมันบ่าให้อีอย่างแก่เข่าแหละมีแต่ปัจจุบันกับอนาคตเท่านั้นอะอดีตมันผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วมันมัดเลยมัดความหมายแหละปัจจุบันเดียวนี้แหละเขาเพื่อจะทําเพื่ออนาคตคนไปเขก็ต้องเตรียมในปัจจุบันของเข่าให้ตั้งอยู่ในความบ่อประมาทอย่างที่หลวงพ่อเขาจะได้เดินทางไกลเนอให้เข่าต้องเตรียมบุญกุศลเขาสู้จิตเขาสู้ใจเนอะ แล้วพวกเข้าเมื่อได้บุลกุศลเขาสู้จิตใจแล้วใจเขาเข้ากับเบิกบานมีความสุขจะเดินทางไปทางไหนก็มีความสุขอพอไปพ่ายภาคหนาเมื่อลมหายตายจากไปคน้คนค้นมีเงินก็คนมีเงินไปต่างประเทศมันต่างกัน เ, ยเอยคนมีเงินไปต่างประเทศพอลงจากเครื่องบินไปแล้วอยมีบัตรเครดิตบ่มีบัตรยังหลุดตะพึ่งตะพื้นแล้วเอาะไปจากนั่นก็มีเพชรนิ่งกินดาอาอยู่ในกระเป๋าธรรมะา ค้าขายสื่อขายยังไงคันหาว่าคนบะมีเงื่อนติดกระเป๋าไปไปอดพอลงสนามบินเนี่ยคอซ้อนกอซอนี่จะไปสือกินอาหารแพงกับบะหมีเงื่อนบ้านเอาไปมากลบลบหลีกหลีคอซ้อนกอซอนี่เอาไปมากไปเคลียร์ถังขยะเขากินเท่านั้นแหละอา่าไปเป็นเปดถึงพวกเทียร์สังขยาเอาไปนี่แหละออกจากหันก็ไปเกิดเป็นสัตว์ทิฏฐจฉานละบ้านอา่อนาพอยนั่นพวกเข้าให้่เป็นยังจันทร์เนาะออกตนญาติโยม ได้พบพระพุทธศาสนาให้สร้างสมบุญกุศลเอาไว้าตายแล้วบอดศูนย์ลงพอว่าจังสันเ่าเอานไปเพราะนั่นพวกเข้าทั้งหลายในหมาฆราวะสคูบาจารย์ในมือหนึ่งก็เป็นบุญเป็นกุศลพรานั่นลงพอเด้ก้าสัมโมในเจริญถาเป็นขอคิดให้แก่พวกออกตนยัดโน้มคูบาจารพระเน้นให้ได้ยินได้ฟังพรมหน้าพรมตากันอันดับแหลกลงคอว่าลงคอเฮี้ยนหน่อยเนงไปรับตาสักคอย่างเบา บอกกัเวลาวอกกับพวกคู่บาอาจารย์ให้ทองพุทโธพุทธโธพุทโธนะ่ะตามไม่จริงทองพุทโธนะ่ทองหลักมันเดอกรกิจเป็นหนึ่งไปได้ก็ต้องตอนจะเป็นสองไปได้ก็ต้องออกจากหนึ่งสกาาางักออ ก, กนนไไรันเป็นบันละเพราะนั้นให้ผู้ไทยเจ้าคูบาอาจารย์ต้องให้ทองหลักมันหมดไปข้อทองหลักมันได้แล้วก็จับพางหูไป็นระบาดนี้ไล่ไปเรื่อยๆลงไปเพราะนั้นขันว่าทองหลักหนึ่งว่าท่านได้ทองเหล็กสเหล็กสามไปมันก็บวไรแล้ว อ, อ, อันนี้คือกันน่ะ คัว่าใจไงใจเป็นไงใจเป็นหัวหน้าใจของเฮาดีแล้วทุกอย่างก็ดีไปด้วยพระพุทธเจ้าของเฮานี่ยเดชเพื่อนในตัตสรุนบแมแนเพื่อนเป็นพระพุทธเจ้าเพอตาหูจมูกลิ่นเอาเพื่นบแมแนเด้ใจเพื่อนเป็นพระพุทธเจ้าก่อนเดชเพื่นยังได้เป็นพระพุทธเจ้าร่างกายเพื่อนก็เป็นพระพุทธเจ้าน้าพระรหัตคือกันพ่อแม่ผูบาาฌา์เฮาเนี่ยใจของเพื่นเป็นพระรหัตก่อนแหน่งแข้งขาตีนมือ ร่างกายขึ้นพนยังเป็นพระหรหันต์นั่มมดไปเพราะนั่นใจยูพระหรหันยูใสพระหรหันยูใจพระพุทธเจ้ายูใจหมดไปเสียงทั้งหลายอยู่ในใจเพราะนั่นที่พวกเข้าศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาและขอให้ศึกษาเรื่องลักของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นพวนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมากเพราะนั้นให้พวกเข้าทั้งหลายบ่ถึงคดีโลกกัหลวงพ่อก็ได้อธิบายซึงยืดยาวเพราะว่าการเป็นยูเฮ็ุจังได ยังสีหมะยังสีสมการว่างตัวเห็ดจังไหนการนํารงฉีดเจ้าของเห็ดจังไหนจึงมกเป็นหนี้เป็นสินพรลุงพลั้งเศรษฐกิจพ่อเพียงเขาจะเห็ดจังไหนจะว่างตัวจังไหนในขอบขั้วของเห่าขันเอาว่าเห่าว่างแผนดีในครอบขั้วของเห่าก็ล่มเย็นเป็นสุขถาว่าเห่าว่างแผนบ่ดีนะเออขอบขั้วของเห่าก็เดือดร้อนบุญไหวหาความสงบล่มเย็นเป็นสุขบอ่อใดจากนั้นก็ไปพูดทางด้านคิดใจอีก ถึงด่านคิตใจให้บริหารทางคิตใจของเฮ้าให้สร้างสมบุญกุศลเอาไว้เรื่องสมาธิเหตุจังไดนางภาวนาเห็ุจังใดคู่บาอาจารย์เพื่อนเกิดทีสอนออนั่นแหะจย่างหลงพ่อว้านี่แหะพราะพระพเจ้าได้ตั้งสู่ที่โคนตนพ่อเมื่อวันเดือนหกเพ่นเมื่อสองพันหาลอยข้อปีเพื่อนนางจังใดทุนพ่อก็ได้บอกเบิ้งพระประทานนี่นะเนีย่ยหอดขึ้นก่อนรับก่อน น, อนั่กันั่งคัดสมาธิหรือว่านางพระเทียบก็ได้นะ บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทำจิตใจให้สงบคำว่าจิตใจของเขาสงบปล่มเย็นเป็นสุกแล้วนั่นละทีนี้จิตใจของเขาจะนักแน่นจิตใจของเขาจะมีเหตุมีผลจิตใจของเขาจะบวันบวายไกวแคว่วววงหันไปจิตใจสงบแหละคำว่าจิตใจของเขาบริคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายคันหอดมือมาแล้วจิตใจกระเสือกกระสนบุญไหว้เด้พอหาหลักหยึดบ่อได ก็ได้ให้พวกเข้าหาลักจิตตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ลให้สั่งสมบุญกุศ ล, ลไว้ให้นักแน่นนะเมื่อเข้าเดินทางต่อไปภายภาคหนาเข้าจะมีเราจะได้รับความสุกความเย็นใจการพูดการแสดงสัมโมนิจักถาสำหรับออกตนญาติโน่มเมื่อเห็นว่าพ่อสมควรกับการเวลาพอจบเพียงเท่านี้